จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้บาศกผู้บาสิกาผู้ใฝ่ธรรม ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ยีสิบก้าธัานวาคมพุทธศักราช2 5 5 3เป็นวันพระวันธรรมวนาะวันฟังธรรม เพื่อเติมความสุขให้แก่จิตใจที่เป็นความสุขที่ประเสริฐที่เลิศ ก, ก็หาความสุขอื่นๆใดในโลกนี้ในระยะเวลาห7เจวันที่ผ่านมาพวกเราก็เติมความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันส่วนวันนี้ เราก็จะมาเจอความสุขทางใจความสุขของพวกเรานี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันคือสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายกับความสุขทางใจความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายนี้เป็นความสุขเหมือนกับความสุขของยาเสพติดคือมีโทษเพราะว่ามัน ไม่จีรังทาวรเวลาได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะก็จะมีความสุขแต่เวลาที่อยู่ห่างไม่ได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะก็จะเกิดความรู้สึก <c oughs> ว, ว้าวัเศร้าซ้อยองหงอยเหงานี่เรียกว่าเป็นความทุกข์ที่เป็นเหมือนกับยาเสพติด คนที่ติดยาเสพติดก็จะเป็นอย่างนี้เวลาได้เสพยาก็จะมีความสุขแต่เวลาใดที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาส่วนความสุขทางใจนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าจะมีความทุกข์ก็มีตอนตอนที่จะเริ่มต้นเท่านั้นเอง คือเวลาที่เราจะหาความสุขทางใจเราก็ต้องตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งก็จะทำให้เราเกิดมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเนื่องจากเราติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราต้องออกมาอยู่ที่สงบที่เงียบเงียเพื่อมาทำจิตใจให้สงบ ตอนที่จิตยังไม่สงบนั้นเราก็จะรู้สึกทรมานใจเพราะใจจะไขว่คว้าหาแต่รูปเสียงกิ่นลดโพฏพะอยู่เรื่อยๆจึงทำให้เรามีความทุกขทรมานใจและไม่ค่อยอยากที่จะมาหาความสุขทางใจกันเท่าไหร่แต่เราต้องใช้สติใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาว่าความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นเหมือนยาเสกติดเราไม่ควรที่จะติดกับความสุขแบบนี้เราควรที่จะติดกับความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มีไว้เป็นสมบัติครอบครองเพราะเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกมาผสมมาเจือปนด้วยเลยถ้าตราบใดเรายังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะเิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่ใช่แต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้นตายจากภพนี้ไปก็จะไปหาความสุขแบบนี้อีกไปตามอำนาจของบุญและกรรม ถ้ามีไปนำนาจของกรรมก็ไปหาความสุขทางอบายในอบา ย, ออบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็พอมีความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆยแต่ความทุกข์นั้นไม่มีมากกว่าเพราะการอยู่แบบเดรัจฉานนี้มีภัยรอบด้านไม่รู้ว่าจะถูก ถ้าถูกทำลายเมื่อไหร่แล้วยิ่งถ้าไปสู่ขั้นต่ำกว่านั้นเช่นไปเป็นเปรตไปตกนรกนี้จะไม่มีเวลาได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดเลยเพราะจิตใจจะมีแต่ไฟของความโลภไฟของความโกรธคอยเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนกว่าพิด จนกว่าโทษที่ได้ทำเอาไว้คือบาปการรมที่ได้ทำเอาไว้นั้นหมดไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะด้วยวิธีต่างๆถ้าไปทำบาปเวลาตายไปก็ต้องกลับไป ใช้กรรมต่อแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปเวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็ยังต้องมาเสบรูปเสียงตินลดผลทพภะ อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ทำบุญบ้างได้รักษาศีลบ้างคือไม่ทำบาปเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดา ไปเสวยไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเป็นที่ละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์แล้วพอหมดบุญแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังต้องมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะอีกนี่คือจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเวียนว่ายตายเกิดขึ้นขึ้นลงลงถ้าทำบาปก็ลงไปข้างล่าง ถ้าไม่ได้ทำบาททำบุญก็ได้ขึ้นข้างบนแต่จะไม่มีวันที่จะได้พบกับความสุขที่ประเสริฐที่เลิศโลกที่ถาวรที่ไม่มีความทุกมาเกี่ยวข้องด้วยเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เสด็จได้สัมผัสได้มีไว้ครอบครองกัน แต่ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นวันพระให้มาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วก็จเจริญปัญญาพิจารณาไต่ลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ในสภาวะธรรมทั้งหลาย ว่าให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะยึดติดควรจะปล่อยวางถ้าเราสามารถทำได้ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสมุขอย่างวันนี้เราก็มาทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำบุญตักบาตถวายสังฆทาน แล้วก็รักษาศีลศีลก็มีอยู่สองระดับศีลหกับศีล8ถ้าศีลห้านี้ก็ยังเป็นศีลที่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายแต่ไม่สามารถยุดสร้างความสุขทางใจได้ผู้ที่อยากจะมีความสุขทางใจจึงต้องถือศีลแเพราะจะตัดความ อยาที่จะมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพนั่นเองเช่นส <_ C os al> ิ่งข้อสามก็เปลี่ยนจากกาเมสุวิชจาจารา ม, มาเป็นอ布拉มจาริยาแทนกาเมสุวิจชาจารานี้ก็แปลว่ายังหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ด้วยการหลับนอนกับผู้อื่นแต่ ถ้าถือศีลข้อสามก็จะหลับนอนกับสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นอย่างนี้ก็จะไม่เป็นบาปจ้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมาหาความสุขแบบนี้อยู่เรื่อยๆสังเกตดูพวกเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ยังอยากมีสามีอยากมีภรรยากัน ยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่ถือสินแปดกันถ้าเราถือสินแปแล้วศิลข้อสนี้ก็จะเป็นอพรรมจริยาคือจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นคือจะถือถือเจ้าหดเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น เป็นเหมือนกับเป็นพรหมพรหมนี้จะไม่เสพกามจะไม่หาความสุขทางรูปเสียงกิตนสดโพธพะพถ้าผู้ถือสิถือสีนแปดก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเพราะต้องการที่จะเอาเวลาที่เป็นร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี้มาทำจิตใจให้สงบ เช่นนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรม <c oughs> ถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่กับการฟังธรรมก็ดีให้อยู่กับการสวดมนต์ก็ดีหรือให้อยู่กับการบริกรรมพุทโทพุทโธไปก็ดีไม่นานใจของเราก็จะสงบนิ่ง พอจิตสงบนิ่งแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่นี้ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆนอกจากการถือศีลข้อสแล้วคืออัปปมจริยาแล้ว mm hmm. ก็ยังต้องถือศีลเพิ่มอีกสามข้อด้วยกันคือศีลข้อที่๖ คือจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยาเหมือนตามที่หมอสั่งหมอสั่งให้รับประทานยาเวลาใดก็รับประทานตามเวลานั้นถ้าเราจะรับประทานอาหารเป็นเหมือนกับยาเราก็รับประทานก่อนเที่ยงวันคือไม่ต้องรับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะไม่มีความจำเป็น ร่างกายนี้รับประทานเทียงมื้อสองมื้อนี้ก็จะอยู่ได้ไม่ไม่เดือดร้อนแต่อย่างไรผู้ที่ถือศีลแปดเลยจงนั่งสือวิกาละโพชนาะแต่ว่าไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิหาความสุขจากการสวดมนต์ หาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมนี่คือศีลข้อที่หสสำหรับผู้ที่ต้องการจะหาความสุขทางใจต้องการละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องถือสีลแปดสี่ข้อที่เ็ก็คือให้ละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆ เช่นดูหนังฟังเพลงร้องลำมทำเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆผู้ที่สื่อิ่แปลกก็จะไปหาที่สงบวิเ ว, สว้สํารวมตาหูจมูกมิ้นกายไม่ดูไม่ฟังสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจถึงแม้จะให้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขแบบยาเสพติด นี่คือสินข้อที่6นอกจากไม่ดูไม่ฟังแล้วก็ยังไม่แต่งตัวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยสดสีสวยสดงดงามหรือใช้ของหอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแป้งหอมหรือเครื่องสำางต่างๆจะไม่หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้จะแต่งกายแบบเรียบง่าย ถ้ามีชุดขาวก็ใส่ชุดขาวก็ได้ไม่มีก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาสีขาวสีดำสีที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ท้าทายกับความความอยากต่างๆไม่ต้องหาความสุขแบบนี้เราต้องการหาความสุขจากความสงบของจิตใจเพราะถ้าเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เราก็ต้องเสียเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแล้วก็เสียเวลากับการดูหนังฟังเพลงร้องลําทําเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจิตใจก็จะไม่ได้พบกับความสงบนี่คือศินข้อที่7ส่วนศินข้อที่8ก็คือให้หลับนอนบนไม่หลับนอนบนพื้นอบน บนฟูกหนาๆแต่จะหลับนอนบนพื้นไม้ถ้าปูด้วยเสื่อก็ได้หรือปูด้วยผ้าก็ได้คือนอนบนบนพื้นพื้นที่แข็งไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนถ้าหลับนอนบนฟูกแล้วจะหลับยาวหลับนานจะเสียเวลา ตามจริงร่างกายนี้ไม่ต้องการไม่ต้องหลับนานก็ก็อยู่ได้หลับคืนละสีห้าชั่วโมงนี้ก็พอแล้วถ้าหลับบนพื้นแข็งๆอย่างนี้พอร่างกายได้พักผ่อนสักสีห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาสดชื่นเบอกบางแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะไม่ตื่นหรือถ้าตื่นก็จะไม่อยากจะลุก ก็อยากจะนอนต่ออยากจะมีความสุขกับความการหลับนอนบนฟูกหนาๆก็จะเสียเวลาอาจจะหลับนอนไปอีกห้าชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้เวลาที่จะเอามาปฏิบัติทำนั่งสมาธิมาทำจิตใจให้สงบก็จะหายไปหมดไปก็จะไม่ได้รับ ไม่ได้พบกับความสุขที่ดีกว่าจากการหลับนอนคือความสุขจากการไหวพระสมนนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนี่คือวิธีการที่เราจะหาความสุขจากการทำจิตใจของเราให้สงบเราต้องถือสิงแสกันเราต้องสมรวมตาหูจมูกนิ้นกาย ไม่ให้ตาหูจมูกนิ้นกายของเรานั้นไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะ ต, ต่างๆวิธีที่จะสํำรวมตาหูจมูกนิ้นกายได้ง่ายที่สุดก็คือเราต้องอย่าไปอยู่ในบ้านเราต้องออกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเช่นตามวัดป่าวัดเขาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจ ถ้าเราอยู่ที่บ้านนี้เราจะรู้สึกว่ารักษายากเพราะว่ามีสิ่งคอยมายั่วยวนกวนใจอยู่เรื่อยๆคนเดี๋ยวคนนั้นก็รับประทานอาหารเดี๋ยวเขาก็เปิดวิทยุฟังเปิดโทรทัศน์ ด, ดูเดี๋ยวเขาก็ร้องลัมทาเพลงกันพอเราอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงได้เห็นก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมา จะไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้ผู้ที่ปรารถนาความสุขทางใจจึงต้องบังคับตนเองให้ไปอยู่วัดหรือให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามลำพังอยู่ที่อยู่วิเวก็เรียกว่าปลีกวิเวกผู้ที่ต้องการความสุขทางใจนี้ต้องปลีกวิเวกแล้วก็ต้องรับประทานอาหารพอประมาณ อย่ารับประทานอาหารมากจนเกินไปถึงแม้จะรับประทานไม่รับประทานหลังเที่ยงวันและก็ตามแต่ถ้ารับประทานมากๆ ก, ก, ก็จะทำให้ง่วงเหงาเอานอนแล้วจะนั่งสมาธิไม่ได้เวลานั่งสมาธิก็จะนั่งสับประหนกหลับในดังนั้นต้องรับประทานอาหารพอพอประมาณคือพอต่อความต้องการของร่างกาย อย่ารับประทานอาหารตามความต้องการของใจเวลารับประทานไปแล้วรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วก็ให้หยุดรับประทานแล้วให้ดื่มน้าแทนดื่มน้าเข้าไปสักแก้วหนึ่งก็จะรู้สึกแน่นท้องอิ่มท้องขึ้นมาแล้วก็ควรจะรีบลุกเอากับข้าวอาหารนี้ไปเก็บไว้หรือเอาไปล้างถ้วยล้างชามอย่าอย่ามัวนั่งรอลีเพราะเดี๋ยว รท้องมันจะมันมันจะหิวขึ้นมาอีกได้แล้วเวลารับประทานเสร็จแล้วก็ต้องกําหนดว่าจะไม่รับประทานหรืออะไรหรืออะไรอีกต่อไปหรือดื่มอะไรอีกต่อไปนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้นเพราะเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นที่ร่างกายต้องการส่วนน้ำที่มีรสมีสีมีกลิ่นนี้ ไม่จําเป็นที่จะต้องดืง่มเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายแต่จะทําให้เป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทําให้ใจนี้ไม่สงบวุ่นวายทําให้นั่งสมาธิไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีถ้าเราอยากจะสร้างความสุขให้กับใจของเราคือต้องถือศีลแปลดเพื่อที่เราจะได้ ควบคุมความสุขทางตาหูจมุมกเนื้องายคือยุติหาความสุขทางตาหูจมุมนกนื้องายแล้วเราก็ต้องไปปลีคุ้ยเวทไปหาที่สงบสงัดไปตามวัดป่าวัดเขาหรือวัดที่มีมีความสงบไม่มีกิจกรรมต่างๆมาลบกวนจิตใจแล้วเราก็ยังต้องอ รับประทานอาหารพอประมาณอย่ารับประทานมากเกินไปเพราะจะทําให้ขี้เกียจจะเวลานั่งสมาธิก็จะหลับเวลาเดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดินจะอยากจะนอนอย่างเดียวบางคนถือศีลแปดแล้วแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าถึงเวลาก็อยากจะนอนรับประทานอาหารมากๆแล้วก็อยากจะนอน แทนที่จะนั่งสมาธิแทนที่จะเดินจงกรมก็ทำไม่ได้เพราะรับประทานอาหารมากเกินไปบางคนนี่เขาเห็นโทษของการรับประทานอาหารบางครั้งเขาก็ไม่รับประทานเลยก็มีอดอาหารเลยก็มีหรือผ่อนอาหารไม่รับประทานอาหารที่ต้องขบเคี้ยวอาจจะดื่มนมแทนสักกล่องหนึ่งพอให้มี อะไรหล่อเลี้ยงท้องบ้างเท่านั้นแต่เขาจะไม่ง่วงเหงาเหงานอนจะไม่ขี้เกียจเวลานั่งสมาธิตัวก็จะนั่งตรงไม่หลับในเวลาเดินจงกรมก็เดินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนี่คือเรื่องของการรับประทานอาหารถ้าเราอยากจะพบกับความสุขทางใจเราต้องกล้าอดทน กล้าทุกกับความอดอยากเล็กๆน้อยๆเช่นอดอาหารบ้างหรือผ่อนอาหารบ้างอย่างนี้ไม่ไม่ตายรับรองได้ร่างกายนี้อยู่ได้เรามีอาหารสะสมไว้นในร่างกายได้หลายวันสมมุติว่าถ้าเราไปตกทุกข์ได้ยากไปหลงอยู่ในป่าไม่มีอาหารรับประทานสามวันห้าวันก็ไม่ตายถ้ามีน้ำํำดื่ม เพราะเราสะสมอาหารไว้เยอะพอสมควรบางคนอาจจะสะสมไว้อยู่ได้ถึงเดือนเลยคนที่อ้วนๆมีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยรับรองได้ว่าอดอาหารทั้งเดือนก็ไม่ตายถ้ามีน้ําหรือมีอากาศหายใจกับจะเป็นประโยชน์ซะอีกเพราะน้ําหนักจะลดรูปร่างก็จะสวยงามขึ้นมามีหุน่นมีอะไรบ้างไม่ใช่เป็นแต่ตุ่มอย่างเดียว ดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสุขทางจิตใจคือความสงบเราต้องกล้าที่จะทรมานตัวเราเองเราเรียกว่าเป็นการทรมานตนทรมานเพื่อความสุขเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่จะตามมาเหมือนกับคนที่ต้องการสวยงามอยากจะลดน้ำหนักเขาก็ต้องทรมานตัวเขาเองเขาก็ต้องอดอาหารต้องผ่อนอาหาร กินไม่มากแต่ผลที่เขาได้ต่อมานี้มันคุ้มค่ากว่าความทุกข์ที่ลงทุนไปคือจะได้รับความวได้รูปร่างที่สวยงามในทางศาสนาในทางปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราลงทุนไม่มากแต่เราจะได้กาไรได้ผลกำไรมากคือเราจะได้รับความสุขทางใจและเราจะได้รับอิสระภาพ จากการที่เราไปไปเป็นค่าของยาเสพติด ข, ของรูปเสียงกลิ่นรสทุกวันนี้พวกเราเป็นเหมือนทาสเราไม่สามารถที่จะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ถ้าอยู่ถ้าเราทำได้ป่านนี้เราคงไปอยู่ตามป่าตามเขากันหมดแล้วเพราะที่นั่นเป็นที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงแต่เราไปไม่ได้กัน เพราะเวลาเราไปแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเว่เศร้าซ้าซาอยหงอยเหงาเพราะว่าเป็นความอยากที่สร้างขึ้นมาคือความอยากที่จะมีรูปเสียงกลิ่นรสมาหล่อเลี้ยงจิตใจนี้เองจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเว่ไม่กล้าไปอยู่ตามที่สงบสมัดวิเวกชีวิตของเราจึงไม่ค่อยได้มีความสุขมากนะัก เพราะความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลส่วนใหญ่จะมีแต่ความทุกข์ซีมากกว่าทุกข์กับเลือกรูปเสียงกลิ่นรสนีแหละไม่ได้ทุกข์กับอะไรดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าก็เคยเป็นเหมือนเราท่านก็เคยอยู่ในชีวิตของคาลาวาส ท่านก็มีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมากกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ท่านก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขท่านจึงกล้าที่จะปรีกวิเว้สละราชสมบัติแล้วออกไปอยู่ตามป่าตามเขาตามลําพังเพื่อทำจิตใจให้สงบด้วยการทำสมาธิและด้วยการเจริญปัญญา จนในที่สุดใจของพระองค์ก็มีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่ใจของพระพุทธเจ้าไม่สงบไม่มีเวลาใดที่ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความสุขมีความสุขตลอดเวลาไม่มีวันหมดสิ้นไม่เหมือนความสุขของพวกเราที่สุขเดียววได้ดื่ม น, น้าที่เราชอบสักขวดหนึ่งก็มีความสุขแป๊บเดียว หลังจากนั้นก็เกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกอยากจะกิ น, น, นอีกแล้วอยากจะดูอีกแล้วอยากจะฟังอีกแล้วนี่มันเป็นเป็นความทุกข์เสียมากกวา่ามันเป็นทำมันทำให้เรากลายเป็นทาสไปเราต้องรับคำสั่งของมันตลอดเวลาดังนั้นขอให้เราพยายามปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วเอามาสอนพวกเรา เช่นวันนี้เรามาถือศีลแปดกันเรามาผ่อนอาหารกันเรามาเปรีกวิเวกันแล้วอีกอย่างที่ท่านสอนให้เราทำก็คือเราต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาต้องควบคุมใจของเราไม่ให้ลอยไปลอยมาคำว่าลอยไปลอยมาก็คือไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดีเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดี เรืองอะไรต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้เรารับประทานอาหารให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ก็ให้อยู่กับการฟังอย่าไปคิดเรื่องอื่น ถ้าไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าเราไม่มีสติเราปล่อยใจให้ลอยไปลอยมาถ้าใจไม่มีสติควบคุมแล้วเวลาทาสมาธิใจก็จะไม่สงบเพราะมันจะลอยไปลอยมากิ้งไปกิ้งมาแกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถควบคุมให้มันอยู่นิ่งๆเช่นให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป มันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เมื่ออยู่กับพุโทโธไปแล้วได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดคิดมันก็จะสบายมีความสุขใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้จะได้ยินเสียงก็จะไม่รู้สึกลำคาญใจถึงแม้จะมีอะไรมากัดมามาต่อยมาทําให้คันก็จะไม่รู้สึกลาคาญใจแต่อย่างใด พอใจปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสในขณะนั้นแล้วเข้าสู่ความสงบ พ, พอเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราจะมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัย คนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อของมาซื้อของต่างๆมาหรือต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ถึงจะมีความสุขด้วยเช่นต้องร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเวลาใดไม่มีเพื่อนหลับนอนด้วยก็จะมีความว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหยา ดังนั้นเราควรจะพิจารณาสอนใจเราให้เรารู้ถึงว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วเราจะได้มีศรัทธาความความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและจะมีฉันทะคือความยินดีที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะ เมื่อจิตใจสงบแล้วในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิก็ปล่อยให้สงบไปอย่าดึงใจออกมาถึงแม้ ว, ว่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นก็อย่าเพิ่งดึงออกมาปล่อยให้ใจสงบไปจนกว่าเขาจะอิ่มแล้วออกมาเองเพราะถ้าเราไปดึงใจออกมาในขณะนั้นแล้วในโอกาสหน้าเราอาจจะ ทำใจให้สงบได้ยากเพราะฉะนั้นเวลาใจสงบแล้วปล่อยให้สงบไปจนกว่าเขาจะออกมาเองอย่าไปดึงเขาออกมาแล้วเมื่อเขาออกมาแล้วถ้าเราไม่มีธุระที่จะต้องทำอะไรเราก็ควรที่จะนุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วก็มาเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาคือให้พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และ ความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราให้พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงคือต้องเกิดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เราไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมารวมกันแล้วมาเป็นอาการ32 เราสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ไม่ตายไม่ได้ถ้าเราไปยึดติดกับร่างกายอยากให้เขาอยู่เป็ น, นานๆอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะปล่อยวางร่างกายได้ เราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเวลาคนอื่นเจ็บเราก็รู้ว่าเจ็บว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเขาตายเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราเจ็บก็เช่นเดียวกันเวลาเราตายก็เช่นเดียวกันเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่หวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นของไขรก็ตามอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยการเจริญใจรักอ น, นิจจังทุกขังมานัสตาให้เห็นธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อใจปล่อยวางได้แล้วใจก็จะยิ่งมีความสุขจะมีความสุขมากยิ่งกว่า ความสุขที่ได้จากการนั่งทำสมาธิเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เป็นความสุขที่ติดอยู่กับใจไปตลอดเวลานี่แหละคือการมาหาความสุขทางใจหาแบบนี้หาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการถือสิงแสด้วยการฟัง เทศฟังธรรมด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษอนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้เราพยายามทำกันไปเถิดแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะผลนี้ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของใครไม่มีใครสมวนลิขสิทธิ์พระพุทธเจ้าก็ไม่สมวนลิขสิทธิ์ไม่มีใครไปสมวน จดทะเบียนสมวุลฤกษ์ศิษ์ได้เพราะมันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติที่เกิดจากการกระทำของของเหล่านี้เองถ้าเราทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้รับผลอย่างนี้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจึงขอฝากเรื่องของการมาหาความสุขทางใจในวันพระนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจิรพิพจา และปฏิบัติเพื่อความสุขและความแข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสดรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย